ในกรณีที่เราใช้ไข่ประมาณ20ฟองและเอาเชื้อผู้ชายแสนตัวเข้าไปผสมกันสมมติว่าสิบฟองมีการผสมกันส่วนอีกสิฟองไม่มีการปฏิสนธินั่นหมายความว่าปฏิสนธิวิญญาณมีจานวนจากัดจะอธิบายในแง่ของเรื่องกรรมหรือจํานวนจำกัดของปฏิสนธิวิญญาณอย่างไรอะไรทำให้มีการปฏิสนธิหรือไม่อย่างไร เหตุอย่างหนึง่งน่าจะเป็นด้านพิชานิยามแต่ก็มีเหตุปัจจัยอื่นด้วยซึ่งควรพิจารณาตามกฎธรรมชาติที่ทางพระได้แยกไว้เป็นห้านิยามคือหนึ่งอุตุนิยามกฎเกณฑ์ฝ่ายสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพซึ่งเป็นฟิสิกส์ลอร์พิชานิยามกฎเกณฑ์ฝ่ายตัวพืชพืชพันธุ์เป็นอย่างไร มีความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เป็นต้นเป็นตัวที่มีคุณสมบัติพร้อมหรือเปล่า 3. จิตตนิยามกฎเกณฑ์ฝ่ายการทำงานของจิต 4. กรกัมมนิยามกฎเกณฑ์ฝ่ายการกระทำอันเนื่องจากเจตจำนงของมนุษย์ที่เรียกว่ากรรมอา ธรรมนิยามกฎทั่วไปแห่งเหตุและผลทีนี้เราก็มาดูในด้านที่หนึ่งว่าถ้าอุตุคือสภาพแวดล้อมไม่อำนวยก็เกิดไม่ได้สภาพแวดล้อมต้องเอื้อด้วยเช่นอุณหภูมิเป็นต้นถ้าข้อนี้ไม่ได้ก็เกิดไม่ได้ต่อไปในด้านพิชานิยามคือฝ่ายพืช หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้หมายถึงพืชพันธุ์ที่เป็นความหมายทางธรรมะหรือตามบาลีไม่ได้หมายถึงต้นไม้อย่างที่ใช้ในภาษาไทยนะครับต่อไปด้านพิชานิยามคือฝ่ายพืชอาจมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฝ่ายตัวเชื้อหรือสเปิล ม, มีคุณสมบัติพอไหมแข็งแรงพอไหมมีปัญหาบกพร่องอะไรหรือเปล่านี่ก็อาจเป็นตัวประกอบได้อย่างหนึ่ง ต่อไปจึงเข้าสู่องค์ประกอบฝ่ายจิตถามคือผมสงสัยว่าตัวสเปิร์มก็เหมือนเหมือนกันใส่เข้าไปแสนตัวไข่น้ำเลี้ยงตัวอ่อนสภาพแวดล้อมก็เหมือนกันหมดดูเหมือนว่าเราควบคุมทุกอย่างให้ใกล้เคียงกันจะเป็นไปได้ไหมว่าไม่มีวิญ ญ, ญาณส่งมา แง่นี้ของพูดยากเพราะว่าในแง่ผีชานิยามก็ยังไม่ชัดเจนพอนิยามอื่นๆก็ยังไม่ได้พิจารณายังไม่สามารถตัดสินองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดปัจจัยฝ่ายอุตุนิยามฝ่ายผีชานิยามฝ่ายจิตตานิยามจะต้องพร้อมด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เราจะต้องวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจนทุกอย่างจึงเป็นเพียงเรื่องที่จะต้องศึกษาต่อไปตอนนี้ของพูดได้แต่ว่า มีความเป็นไปได้อย่างนั้น